สถานที่ที่ท่านอยู่อ่างนั้นเนี่ยท่าปริตตสุภาปปมาณสุภ า, ส, ภาสุภกินหาก็ดีกว่าสถานที่ที่ท่านอยู่หรือแม้กระทั่งเวหัพภะก็ดีกว่าพรหมปฐ ม, มชาญอยู่แล้วเนี่ยนะหรืออรูปประพรมทั้งหลายก็ดีกว่าพรหมปฐ ม, มชานตลอดจนถึงอริยมรรคทั้งสี่มีโสดาปติมรรคสกธาคารมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตตมรรคผลของมรรคทั้งสี่และพระนิพพานที่ยิ่งไปกว่า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 ที่จริงมันได้หายอะไรหรอกแค่ okay. บันเทาชั่วคราวนิดๆหน่อยๆเท่นั้นเองพรหมโลกนั้นถ้าเทียบกับสังสารวัตรแล้วเนี่ยนะเทียบกับการเวียนว่ายตายเกิดแล้วถือว่าน้อยถือว่านิดถือว่านี้เดียวเท่านั้นเองแต่ว่าพระกะพรหมเนี่ยสำคัญผิดคิดว่าพรหมนี่แหละเที่ยงพรหมนี่แหละย่งยืนพรหมนี่แหละมั่นคงแข็งแรงไม่จุติไม่เคลื่อนอ น, นะเข้าใจผิด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 เรียกว่าอะไรนะไปโปรยยาพิษเอาไว้แบบนั้นเถอะเรียกว่าไปไปทำให้มันคลาดเคลื่อนก็อย่าคิดว่าทุกอย่างมันก็มีอุปสรรค น, นะมีคนที่คอยขวางไว้แบนั้นฮะแม้กระทั่งให้ทางก็มีคนอยากคอยขวา ง, วงอย่าให้ทานแน่งง่ายๆนะรักษาศีลก็มีคนคอยขวางบอกอย่าทำง่ายๆนะเจริญสมถาวิปัสนาเป็นต้นหรือผู้ที่จะบรรลุมรรคผลก็มีคนคอยขวางนะี่ก็เลยเรียกคํามาน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 ไม่ค่อยพบอนนะัหายากที่เทวดาทั่วๆไปเทวดาชั้นกา ม, มาวจรขึ้นไปจนถึงพรหมโลกเนหายากก็มีมารนี่แหละแกินอำนาจความเป็นใหญ่ของเขานี่คลุมไปถึงพรหมทานในข้อห้า้อห้าบสาภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นมารผู้หลามมกมารผู้มีบาปก็เลยเข้าไปสิงร่างของพรหมอแค่ดูนะควบคุมระบบความคิด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 แล้วก็ปริษัทชาพรมแล้วก็ปกครองอย่างอื่นๆ อ, อีกและพรมเนี่ยนะไม่มีผู้ใดมาปกครองท่านท่านเป็นผู้ดูแลโดยแท้พรมนี่แหละคือผู้ทํำสรรพสัตว์ให้ตกอยู่ภายใต้อํานาจพรมเนี่ยท่านเป็นอิสระพรมเป็นผู้สร้างโลกเป็นผู้เนรมิตสัตว์โลกเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้แต่งสัตว์เป็นผู้ใช้อํานาจเป็นบิดาของเหล่าสัตว์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 นั้นพราหมณ์ก็เลยบอกว่าพวกพวกทาตกรรมกรน่ะนะฉันคนงานชั้นธาตกรรมกรชั้นสูรเนี่ยสร้างเกิดจากหลังเท้าหลังหลังเท้าของพรหมเนี่ยนะพวกเขาเนี่ยโหนเกิดจากปากพรหมเนี่ยพวกพราหมณ์เนี่ยนะเขาก็ก็ถือว่าพรหมเนี่ยอาศัยส่วนไหนในระมิดพวกสัตว์ทั้งหลายเกิดขึ้นก็ถือกันขึ้นมาพรหมเขาเข้าใจผิดเนี่ยนะที่เขาเข้าใจผิดทําไมรู้ไหมให้บริวารนี่สิอับปโลกบริวารนี่อภิเสกท่านขึ้น คือคือคนนั้นก็มายกไม่ท่านดีเหลือเกินคนนี้ก็มายกท่านดีเหลือเกินพอยกไปยกมาเนี่ยนะพรมก็เลยลอยเลยก็เลยนึกว่าเป็นจริงเข้านึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้สร้างได้แต่พูดไปอย่างนั้นแหละบน่นบนไปอย่างนั้นแหละภิกษุนะนะไม่มานเขากล่าวกับพระพุทธเจ้าต่อไปอนะมานี่ก็พอสิงพรมจนะก็วงังมังมายาใหญเลยนะภิกษุสมณะและพราหมณ์พวกก่อนท่านเป็นพวกติดินเกลียดดิน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 หลังจากกายแตกขาดลมปราณก็จะไปเกิดในกายที่ประณีตหมู่สัตว์ชั้นดีเนี่ยพวกนี้มาเกิดในพรหมโลกทั้งนั้นเลยนะเขาก็พูดพูดตรงข้ามกับพระพุทธเจ้าเลยใช่ไหมผู้ใดติดินน้ําไฟลมเป็นต้นติในวะะัฏะเบื่อในายในวะะัฏะผู้นั้นเขาก็จะพ้นจากวัฏะบรรลุมัคคุปนิพพานธรรมที่สุดแห่งทุกข์มานเขาบอกว่าตรงข้ามโอ้ยมาเบือ่อนายมติดินน้ําไฟลมเนี่ยนะ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 แค่ว่าเอามือปล่อยดินปล่อยอะไรเนี่ยเอามือปล่อยแผ่นดินเนี่ยมันตกลงเหวนะเนี่ยเหมืนกนะไม่เกาะเชือกไม่เกาะอะไรมันตกถึงลงถึงเหวตกลงถึงนรกเจนะผู้เนรทุก์เชิญเธอท่านจงทำตามอย่างที่พรหมบอกแก่ท่านเท่านั้นท่านอย่าฟืนคำของพรหมเลยพิกษุท่านเห็นพรหมเห็นพรหมบริษัทประชุมกันแล้วไม่ใช่หรือ อันนั้ดูซิเนี่ยพวกพรหมทั้งหลายพรหมมะปริสัดชาพรหมมปุโรหิตามหาพรหมมาดูพรหมที่เขาเชื่อชมพรหมสิชีวิตของเขามีความสุขขนาดไหนนะนะท่านไม่ต้องการความสุขเหล่านี้หรือก็คือเขาขู่นะเขาขู่บอกว่าถ้าท่านเชื่อพรหมแล้วท่านจะได้มาเกิดในพรหมโลกถ้าท่านไม่เชื่อพรหมท่านจะเกิดในอบายถ้าท่านยังยืนยันในลัทธิของท่านท่านเกิดในอาบายแน่นอนเพราะฉะนั้นดูตัวอย่างพรหมที่เขานับถือพรหมสิ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 ตัวซันหรือเปล่าก็ไม่ทราบเนะเพราะฉะนั้นคือบางทีเนี่ยมันอยู่ที่วิจารณญาณเหมือนกันว่าวิจารณญาณแม่นยําขนาดไหนก็คือคําของมารเนี่ยนะคำของมารเนี่ยไม่ชอบผู้ที่ติดินน้ําไาลมไม่ชอบผู้ที่ติติติดธาตุดินน้ําไาลมต้องการผู้ที่ชื่นชมดินชื่นชมน้ําชื่นชมไฟชื่นชมลมก็แปลว่าต้องการชื่นชมผู้ชื่นชมทุกขต้องการให้ชื่นชมธาตุสีอันเป็นที่ตั้งแห่ง ทุกท่าสี่อันนั้นแหละถ้าเป็นผู้มีบุญนําเกิดเรียกว่าสัตว์หรือว่าครืหบดีเป็นต้นเนี่ยนะถ้าหากว่าบุญตกแต่งดีก็เรียกว่าเทวดาเรียกว่ามารหรือเรียกว่าพรหมจริงๆก็คือท่าสีถ้าหากว่าท่านเบื่อหนในท่าสีท่านจะไปเกิดในอบายนะแต่ถ้าท่านชื่นชมท่าสีชื่นชมชื่นชมอสัตว์ทั้งหลายชื่นชมพบสามและปฏิบัติตามถ้อยคําของท้าวมหาพรหมที่ที่พูดไปเนี่ยนะ เออท่านไปดีแนะ่ท่านจะมาเกิดในพรหมมาโลกดูตัวอย่างพวกพรหมก็แล้วกันเนี่ยนะแม่ถ้าหากว่าพรหมลงมาสอนเลยเนะี่ยพวกเราเนี่ยกลับใจกี่คนนะทันทีเลยนะนะ อ, อ้าวพรหมนั่นลอยมานะีปรากฏรัศมีจวงเจ้าเหาะมาเนี่ยชื่นชมดินเถอะเว้แต่ท่านมีวิธีการที่พูดอย่างเนี้นะบอกว่าวิธีคาใช้คําว่าชื่นชมดินเนี่ยท่านไม่ได้พูดคําว่าดินหรอกท่านหยิบยื่นให้เพชรเราก็านั่งอ่านแล้วพรตรายวิดกก็นั่งดูนั่นแหละแปดเลียมใช่ไหมเราก็วิธีชื่นชมพรหมเนี่ยนะ